กราบบูชาปราัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรบมายังหลวงพ่อกมพระจันทร์สุรินทพระจันทร์นมเพื่อนสาตตมิกเจเินพรมายังแม่ชีแล้วก็ญาติยาโยมทุกคนเนาะก็นั่งกันตามปกติวันนี้ก็เป็นวันที่สิบนะหลังจากที่องค์สมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สวรรคตไปเราก็ได้มาร่วมกัน บำเพ็ญกุศลเนาะถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่านนะด้วยการสวดมนต์และก็สวดอภิธรรมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีะอย่างน้อยๆก็ได้น้อมระลึกถึงท่านนะคุณงามความดีที่ท่านไว้ทำไว้กับแผ่นดินแล้วก็สิ่งเหล่านี้อย่างตราตรึงนะ ตราตึงอยู่ในจิตใจในหัวใจของคนไทยทุกคนตัวกระผมนิทมาเองเกิดมาเนี่ยก็ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินละท่านของราชก่อนที่นิทมาจะเกิดสิบปีเกิดมาก็โอ้มีพระเจ้าอยู่หัวมีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้แหละและเท่าที่ได้ติดตามข่าวสารนะที่เราได้ยินได้ฟังท่านเป็นผู้เสียสละจริงๆ นะในช่วงที่เรียกว่าประเทศไทยเราช่วงที่พระองค์ได้ครองราชเนี่ยนะก็เจอวิกิจการหลายครั้งหลายคราวนะทั้งในแง่ของการปกครองในแง่ของเศรษฐกิจแนะในแง่ของภัยธรรมชาตินะท่านก็พยายามที่จะช่วยเหลือนะสิ่งที่ท่านทําลงไปก็หวังว่าจะช่วย เรียกว่าทำให้อนาประชาราชนะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะซึ่งก็สมกับที่ได้ท่านได้กล่าวไว้ในตอนที่ขึ้นกองราชนะว่าเราจะป ก, ป ก, ป ก, ปกเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมนะเพื่อประโยชน์ของมาชนชาวสยามนะเรียกว่าเป็นปฐมมรรมระชงการหรือเป็นคำพูดนะ ครั้งแรกนะสิ่งที่ท่านได้พูดได้ตรัสก็ได้แสดงออกมานะในระยะเจสิปีที่ท่านครองราชนะความสุขของท่านก็คือการได้เห็นอนาประชาราษฎนะมีชีวิตนะที่พออยู่พอกินนะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูประวัติศาสตร์จะทราบดีว่าในปี2540รอสีิบ เป็นปีที่ประเทศไทยเราได้เกิดเรียกว่าวิกฤตการเศรษฐกิจนะที่เรียกว่าต้มยำกุ้งตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยคนไทยเราภูมิใจกันมากนะว่าเราเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้านะมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากอาจจะเป็นเสืออีกตัวนึงเสือทางเศรษฐกิจนะนะแล้วก็มีการกู้เงินจากต่างประเทศเข้ามา เป็นเงินกู้ระยะสั้นแต่เอามาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวเรียกว่า <c oughs> ทํากันอย่างไม่ระมัดระวังนะจนสุดท้ายเราเป็นหนี้เป็นสินเขาทั้งประเทศนะเรียกว่าเป็นหนี้เขาจนต้องให้ IMF เข้ามาก่อนหน้านั้นเนี่ยองค์ประบัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พยายามที่จะพูดให้เราระมัดระวังนะในการใช้จ่ายในการทํา ในการลงทุนนะท่านพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงนะซึ่งมันก็มีหลักอยู่สาข้อนะข้อแรกก็คือให้มีความพอประมาณจะทำอะไรเนี่ยให้รู้จักประมาณอย่าทำอะไรเกินตัวคนไทยเราบางทีก็ทำอะไรเกินตัวเป็นนี้เป็นศินนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้นั่นเะป็นะข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือทำอะไรเนี่ยให้มีเหตุมีผล นะไม่ใช่ทําไปโดยที่เขาเล่าว่าเขาบอกว่านะลงทุนไปเก่งกําไรกันนะในช่วงนั้นไปลงทุนคิดว่าทํำอสังหาริมทรัพย์แล้วนะจะได้เงินจะร่ํารวยนะปรากฏว่าไปกู้เข้ามาเนี่ยสร้างเอ่อสินก่อสร้างต่างๆขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถจะขายได้เงินทุนมันก็ไปจมนะแล้วก็ทําให้เป็นหนี้เป็นสินเขา สุดท้ายเราก็ต้องให้ IMF เข้ามานะนั่นเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จักประมาณแล้วก็ไม่มีเหตุมีผลด้านที่สามก็คือต้องออมีเรียกว่าต้องมออีความเข้าใจนะมีคุณธรรมการทำอะไรเนี่ยจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะไม่ได้ทำด้วยความคดโกงนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่ระมัดระวัง นะมันก็จะทําให้เกิดการคอร์รัปชันขึ้นมานะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านได้เตือนเอาไวนะ้แต่ว่าบางทีเราฟังกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะเราก็ทําไปตามที่คิดว่าจะเป็นไปไดนะ้สุดท้ายเราก็ต้องเรียกว่าต้องเป็นหนี้กันทั่วประเทศเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วเนี่ยเราจึงเริ่มที่จะทําความเข้าใจตรงนี้ ่าเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนนะคือในการดำเมินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ใช้เฉพาะทางการเกษตรนะแม้แต่อุตสาหกรรมการลงทุนนะก็ไปใช้ได้แต่ก็คือไม่ทําอะไรเกินตัวเกินไปทำให้พอเหมาะพอดีนะไม่เป็นนี้เป็นสินมากการผลิตเนี่ยก็มุ่งผลิตเพื่อที่จะกินจะใช้ก่อนที่เหลือค่อยเอาไปขาย นะซึ่งตรงเนี้ยมันจะสวนกับกระแสะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทุนนะิยมก็คือกขาพยายามที่จะให้เราผลิตเยอะผลิตมากๆนะแล้วก็ไปขายทีนี้เนมะื่อผลิตมากๆเนี่ยมันก็เกิดการแข่งขันกันอย่างผลผลิตทางกา ร, กรเกษตรเราจะเห็นนะสมมติแต่ก่อนเนี่ยยางราคาดีก็แข่งกันปลูกปลูกกป็นใหญ่เลยเพราะปลูกมากๆราคามันก็ตกนะตรงเนี้ เรียกว่าไม่รู้จักประมาณเรียกว่าเสื่อมใหญ่ก็ทำกันเพื่อการค้าไม่ได้ทำเพื่อกินเพื่ออยู่ในแง่ของตรงนี้เนี่ยพระองค์ท่านก็ได้พยายามที่จะนําเสนอตัวอย่างด้วยเนื้อที่ประมาณสักห้าไร่หรือสิบไร่เนี่ยรแบ่งส่วนหนึ่งขุดบอ่อเลี้ยงปล า, าปลูกข้าวเรียกว่ามีข้าวมีปลากินและ แ, แล้วก็ทา พืชผักที่เราจะต้องกินนะเรียกว่าทำที่จะทำให้เกิดการที่ไม่ต้องไปหาซื้อที่ตลาดมากแนะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาตมาจำได้ว่าผู้ใหญ่วิบูลเนี่ยนะเป็นคนที่ทำเรื่องนี้มาแต่ไหนแต่ไรเลยนะ ท, ที่จังหวัดฉะเึงเซาแลสมัยนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านทำเนี่ยคนสมัยนั้นก็เละเยอะว่าว่ามันจะเป็น ไ, ได้ยังไงนะแต่ตอนหลังก็มีคนพยายามที่จะทาตาม แตนะ่ซึ่งตรงนี้ก็ไปตรงกับสิ่งที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะได้พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยในแน่ของเราที่เป็นชาววัดเนี่ยเราไม่ได้ผลิตนะไม่ได้ผลิตสิ่งของเนี่ยแต่เราก็สามารถที่จะประยุกเอาแนวะคิดตรงนี้มาใช้นะในการในการกินการอยู่นะเราใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีพอประมาณนะไม่ใช่อะไรฟุ่งเฟ้อเกิเกนไป โดยเฉพาะวัดป่าสุกโตูเนี่ยเดี๋ยวนี้ใครๆก็รู้จักแล้วขาก็ชอบที่จะมาทําบุญนะแล้วก็ของมาถวายกันนะของที่มาถวายเนี่ยเราก็เอาใช้จ่ายนะใช้กันไปแต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางทีเราก็ไม่ค่อยไม่ก็อระมัดระวังอธิบายตัวอย่างง่ายๆเนี่ยล้มเนี่ยนะเขามาถวายตั้งหลายเที่ยวแล้วนะเราเห็นมันเกลื่อนขาดไปหมดน่าเสียดายมากเลยนะบางทีเราก็ไม่ค่อยดูแลของเนี่ย นะเรียกว่าของมามากเราก็ใช้กันฝุ้งเฟือยนะซึ่ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเนาะเขมาถวายแล้วบางทีเห็นเกลือนไปหมดเลยบางทีบางกุฏนะิเนี่ยมีร่มไม่ใช่คันเดียวนะหลายคันเลยนะแล้วเวลาเราจะใช้ึ้นไ า, าจริงอ้าวมันไม่มีซะล้นะอย่างที่สาราน้าก็ดีที่หอไต่ก็ดีนะตรงนี้ถ้าเราเอาละ่ะเราใช้คนละหนึ่งคัน ที่เหลือเราก็เอาไว้ส่วนกลางเนาะตรงนี้มันก็จะทําให้ของที่เราได้รับมาเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์มากงานนี้เป็นสิ่งสิ่งเท่าที่สังเกตนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องเ่มเรื่องเดียวเรื่องของต่างๆอาหารการกินนะที่บางทีมันก็เฟ้อบ้างมากบา้างนะตรงนี้เราก็ต้องประมาณเหมือนกันนะเรียกว่า จะกินจะฉันก็ให้มันพอประมาณนะของที่ใช้ก็ระมัดระวังจยน้ำดื่มเมื่ยอยแตมาสังเกตนะบางทีเรากินแค่เครื่งกวดนะ่ะทิ้งละน่าเสียดายมากๆเลยระวังควนว่าดืม่มแค่เครื่องขรวดแล้ววางทิ้งไปละนะตรงเนี้ยมันก็เป็เรื่องน่าเสียดายเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เศรธธษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะในแง่ของชาววัดเนี่ย เราก็เรียกว่าอย่างน้ำดื่มเนี่ยเราก็ใช้มันดื่มไม่หมดนะถ้าถ้ามันยังไม่หมดนะก็อย่าไปวางทิ้งไว้นะเอาติดตัวไปเลยเนาะตรงนี้จะได้ไม่ไม่ไม่สิ้นเปลืองนะมีหลายคนเห็นที่วัดน้ำหมดก็เอามาเสริมเอามาเสริมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยในแง่ของเราชาววัดคงต้อง รู้จักรู้พิจารณาเนาะให้มันพอเหมาะพอดีพอประมาณนะไม่ฟุง่งเฟ้อเกินไปนะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้การใช้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่พอเพียงนะตามแนวทางหรือว่าตามสิ่งที่ในหลวงท่านได้พูดเอาไว้แล้วท่านจะทำเป็นตัวอย่างนะท่านไม่ได้พูดอย่างเดียวเพราะนั้นการที่เรามาเริ่มกันบำเพ็ญกุศล นะเพื่อตวายเป็นพระราชกุศลเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราน้อมเอาสิ่งที่ท่านได้ตรัสเอาไว้สิ่งที่เราได้ทำเอาไว้แล้วเราก็มาเดินตามอันเนี้ยมันจะเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ทั้งตัวเราเองด้วยเกิดประโยชน์กับสังคมกับประเทศชาติแล้วกับกับโลกด้วยแลนะสิ่งที่เราทําเนี่ยนะแล้วตรงนี้แหละนะมันน่าจะเป็นสิ่งที่จะทําให้เราได้ เรียกว่าบำเพ็ญกุศลนะได้เกิดผลบุญนะอย่างแท้จริงนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะภาคภูมิใจได้นะว่าเราได้เดินตามรอยเบื้องพระยุ ค, คลบาทนะในฐานะพระสุกนิกรคนหนึ่งของท่านนะแล้วเราก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองด้วยเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วย เหมือนที่พระองค์ท่านเนี่ยตลอดเจ็ดสิบปีที่ท่านของราเนี่ยท่านไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยนะเรีว่าท่านทำเพื่อประชาชนโดยเฉพาะถึงกับบางคนบอกว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์จริงๆสิ่งที่ท่านทำเนี่ยแล้เราก็เห็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นการที่ท่านเรียกว่าสวรรคตไปเนี่ยมันก็อดไม่ได้เนาะที่พวกเราจะต้องเศร้าโศกเสียใจนะ แต่เราแปลความเศร้าโศกเสียใจนะ่นะมาทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีกันเถอนะเนาะความเศร้าโศกเสียใจมันก็เป็นธรรมดาละนะที่เราจะมีที่เราจะเป็นนะแต่ถ้าเราไปจมอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจนะมันก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยท้อแท้หมดกําลังใจในการที่จะก้าวเดินต่อไปนะตราบที่เรายังมีลมหายใจเนี่ย นะแล้วยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะต้องทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะเหมือนที่พระองค์ท่านนะได้ทำไว้กับแผ่นดินประเทศไทยแล้วก็โลกนะสิ่งที่ท่านได้ทำเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะประเทศไทยนะนะองค์การสหประชาชาติเนี่ยถึงกับยกย่องนั่นนะว่าเป็นนักพัฒนานะที่สำคัญของโลกเลยนะแล้วก็โดยเฉพาะหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย เขายกย่องเลยว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้แก้วิกฤตการณ์โลกนะในยุค ป, ปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตได้เพราะในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยนะการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันมีแต่การเรียกว่าทำลายล้างทรันะพยากรนะดุนฟ้าอากาศแล้วก็มน่งที่จะใช้อย่างฟุ่มเฟือยนะเรียกว่าไม่รู้จักพอประมาณนะเพราะว่าไม่รู้จักความ ท้่วยาความอยากความโลภนะที่มันไม่มีที่สิ้นสุดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะการที่เราได้ร่วมได้มาเร่วมกันเนาะบาเพ็ญบุศสนในครั้งนี้เนี่ยนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้มาเร่วมกันน้อมรับนะแล้วก็ได้นำเอาสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยนะได้ทํำมาไว้เป็นตัวอย่างเนาะได้ดำเนินต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตัวเราเองประโยชน์สุขแก่สังคมแต่แก่ประเทศชาติแล้วก็แก่โลกต่อไป น, นี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากาเอาไว้อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแสดงความรู้สึกในวันนี้นก็ต้องขอเรียกว่าจะเรียกว่าขอบคุณกัแล้วกันเนาะสำหรับคณะสงฆ์นวัดป่าสุกโตที่ได้ ออมอบโอกาสนะให้ตัวกระผมฤทธิมาได้มีโอกาสนะได้รับผ้ากรถินในปีนี้นะซึ่งผ้าไตรจีวรเดิมเนี่ยก็เรียกว่ามันก็เป่าแล้วมันเปื่อยแล้วนะก็เย็บลายเย็บอีกนะให้แม่ชีดวงช่วยเย็บสบงบ้างอะไรบ้างเนปะบางบางทีเราก็ทําบ้างให้แม่ชีดวงช่วยบ้างนะก็ได้ชุดใหม่ก็ ก็รู้สึกว่าเออก็เอาเปลี่ยนแปลงได้แนะต่่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ตัวกระบรมนิจมาเองนะก็รู้สึก เ, เป็นบุญคุณเนาะที่คณะสงฆ์ได้มอบสิทธิอันนี้ใหนะ้แล้วก็จะรับสิทธิอันนี้เนี่ยนะสำหรับการที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นะกับ พัดป่าสุขโตคณะสงฆ์นะแล้วก็ญาติโยมนะที่ได้มาร่วมกั น, นจัดงานกระถิ่นในปีนี้นะก็เห็นว่าในปีนี้ก็เรียกว่าร่วมไม้อร่วมมือกันอย่างดีนะมีความสมัครสมานสมัคคีทั้งในส่วนของคณะสงฆ์เองแม่ชีญาติโยมนะเรียกว่าร่วมแรงร่วมใจกันนะก็งานสำเร็จลุล่วงไปได้วยดีนะแล้วก็ น่าชื่นชมทีเดียวนะวันนี้ช่วยกันเก็บของหมดเลยนะโหยังคิดว่ามันไม่น่าจะเสร็จนะพรุ่งนี้จะต้องลุยกันต่อนะก็เรียกว่าแต่ละคนก็มีน้ำจิตน้ำใจนะเสียสละเวลาแรงกายแรงใจเนาะทำให้วัดป่าสุโโตกลับคืนสู่สภาพปกตนะิหลังจากที่เราผ่านงานกระถิัดไปแล้ว นะสิ่นตรงนี้แหละนะก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความสมัครสมานสมัคคนะีที่ก็บอกว่าสุขาสังคัจจะแต่สุขขาสังกัจจะความสามัคคนะีนำสุขมาให้นะความสามัคคีของบูคณะนะนำสุขมาใหนะ้นี่ก็เป็นความสุขที่เราได้รับนะเมื่อเราอยู่ที่วัดป่าสุกโตได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการทำกิจส่วนรวม แล้วก็ไม่ลืมนะที่จะทําเรื่องจิตใจของเราด้วยนะตอนนี้บางส่วนนะก็ศึกขารากเพศไปบางส่วนก็เดินทางไปที่นู่นที่นีนะ่ที่เหลืออยู่ก็ได้มีเวลาส่วนตัวล้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยนะเราก็มาใช้ในการที่จะศึกษาเรียนรู้ตัวเราเองนะ ดี่ยการเจริญสตนะิที่เราได้เรียนรู้กันมารนะยะนี้จะมาก็สังเกตนะก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆหนึ่งคนสองคนสามคนมีความสนใจมาปฏิบัติธรรมสามวันบ้างสองวันบ้างที่ไม่ใช่เข้ากลุ่มนะเขากลุ่มก็เพิ่งจะเสร็จไปวันนีนะ้ก็มีมาทยอยมาเรื่อยๆนะนี้ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ เป็นประโยชน์ะนะนะก็ต้องขอเรียกว่าต้องอนุโมทนากับพวกเราทุกคนเนาะที่มาใช้ประโยชน์วัดป่าสกโตนะให้เกิดประโยชน์นะในทางจิตวิญญาณแต่อย่างน้อยเนี่ยคนที่มีความเครียดมีปัญห า, นาในจิตในใจเราไม่รู้จะออกทางไห น, นามาที่วัดป่าสกตโตนะบางคนก็ได้คำตอบกลับไปรู้สึกสบายใจ ได้หลักคิดได้แนวทางปฏิบัติสำหรับที่จะแก้ไขปัญหาของตัวเองเพราะฉะนั้นให้ถือเสว่าวัดป่าสุก โ, โตเนี่ยนะอย่างที่หลวงพ่อคำเกียนนั้นบอกนะเนาะเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเราจะมาเมื่อไหร่ก็ได้จะมากี่วันก็ได้นะแต่ระยะหลังนี้มันก็มีประเพณที่มามาไม่ตรงวัตถุประสงค์นะมากินกินนอนเพราะฉะนั้นตอนหลังเราก็มีระเบียบเนาะ อยู่ได้ครั้งละเจ็ดวันนะถ้าเกินกว่านั้นก็พิจารณาเป็นครัง้งคราวไปเพราะฉะนั้นการมาวัดป่าสุก โ, โตเนี่ยนะก็ขอให้ผู้ที่มาเนี่ยได้ใช้ประโยชน์นะในทางธรรม อย่าไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นเลยนะเพราะที่นี่เนะี่ยเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัตินะการเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจนะซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะที่ทำให้เราสามารถจะออกจากความทุกข์ไดนะ้นั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้เนาะ อะไรในท้ายที่สุดนี้ก็ขออั้มคุณของพระศีรัตนตรยัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคริสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมครือจรรมความจริงที่แสดงปรากฏทั้งในจิตในใจและในกายของเรารวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆและพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนนะด้วยความศรัทธานาด้วยความเพียร สติสมาธิและปัญญาก็ขอให้สิ่งเหล่านี้นะเป็นพลวัปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านนะเข้าถึงความสุขเกษมสารนะก็คือความเป็นปกติของใจนะในเรววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร